บางคนเนี่ยนะปฏิบัติทำมาเนี่ยจริงนะก็บอกว่าเออเรามาถือศีลห้าหรือว่าเรามาถือศีลแปดแต่ความเป็นจริงเนี่ยถือตอนที่คิดอ่ะคือถือศีลตอนที่คิดเข้าใจไหมอยู่ตอนที่คิดอยู่ในเรื่องเนี้ยตอนนั้นอะถือศีลแต่พอตอนไปทําอะไรอื่นไม่ได้คิดแล้วเนี่ยคือไม่ได้คิดเรื่องนี้ละว่าไม่คิดเรื่องนี้ตอนนั้นอะไม่ได้ถือศีลไม่ถือศีลแล้วถืออะไร ถือสา เ, ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยอยากฝากไว้มากๆแล้วมันแปลกนะถ้าใครปฏิบัติเขาเรียกว่าเข้ากระแสคุณไม่รู้ว่าพวกคุณจะเข้าใจคำว่าเข้ากระแสได้ขนาดไหนเข้ากระแสนเนี่ยคือมันเข้ากระแสของจิตวิญญาณเข้าเข้าถึงจิตใจนะหรือบางทีพูะเจ้าท่านใช้คำว่าถึงพร้อมนะถึงพร้อมท่านจะใช้คานี้ วันถ้าใครเนี่ยเข้ากระแสถึงจิตใจเนี่ยคุณจะเชื่อไหมล่ะคุณจะคิดเนี่ยแค่คุณคิดเนี่ยนะมันยังจะตามรู้ตามดูตามจับอยู่ตลอดเลยเฮ้ยตอนนี้คิดอะไรเนี่ยคิดดีหรือไม่ดีมันตามรู้ตลอดเลยเออมันจะอ่านจิตอ่านใจตัวเองตลอดเลยเวลาพูดพูดกับใครเนี่ยนะมันจะคอยตามสํารวจมันไม่เหมือนทุกวันนี้ เราฟังไงพูดเราก็คอยดูว่าพูดผิดหรือพูดถูกพูดเข้าหูหรือไม่เข้าหูคือเราชอบที่จะไปตามตามเสียงอื่นตามคนอื่นเขาพูดแต่เราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ทันที่จะตามดูเราพูดเองว่าเอาจริงจเนี่ยเราควรพูดหรือเปล่าอันเนี้ยเราพูดไปด้วยจิตใจยังไงลิษาเขารื้อไงพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้โกรธเขาใช่ไหมถือสาเขาใช่ไหมถึงพูดแบบเนี้ย เนี่ยบางทีไม่ทันเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตามจิตเลยอาตมาพูดบ่อยๆว่าบางทีเนี่ยด่าเข้าไปตั้งวันสองวันและ้ะคนด่าคนด่าคนอื่นเขาไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่คนถูกด่านเนี่ยเจ็บทันทีนั่นแหละคนที่ถูกด่าเนี่ยเจ็บทันทีแล้วก็จําแต่คนที่ด่าเขาเนี่ยนะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยจํา แล้วเมื่อไม่จำเนี่ยเดี๋ยวก็เอาอีกและเดี๋ยวก็เอาอีกและยิ่งไม่รู้ตัวเนี่ยยิ่งไม่มีทางแก้เลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตัวเท่านั้นถึงจะพอแก้ได้เพราะบางทีเนี่ยพูดไปอย่างนี้นะคนอื่นเขาเจ็บแล้วนะโโหเสียบเขาปักปักปักนะเรียกว่าเขาหน้าตายับเยินหมดแล้วบางทีเรายัางยิ้มเป็นสุขสบายใจนะพูดไปแล้วโอ้โหเขานี่หน้าแบะหมดแล้วอืม ไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวจริงจิงจนอย่างเงี้ยบางทีเราเราถึงแบบว่าต้องพยายามนะตามดูเอ้ยตอนนี้เราพูดไปเนี่มันเป็นยังไงสังเกตเขาดูบ้างคนอื่นเขาโอ้โหพอพูดไปปับ๊บโอ้โหนหน้าเขาสีเผือดเลยนะโอโ้แสดงว่าเราพูดยังไงเนี่ยพูดไปแล้วเขาถึงอกสันขวัญแขวนขนาดนี้หรือพอพูดไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหหน้าเขาแดงเลยอย่างนี้ เป็นยังไงฮะพูดไปแล้วเนี่ยคือคือบางทีเราอาจจะจับตัวเราเองยังไม่ได้ง่ายอะ่ะแต่อตาตมากำลังบอกว่าเอาเอาคนอื่นสะท้อนกลับมาก็แล้วกันเพราะว่าเราจะจับคําพูดเราอะนะแต่บางทีอาศัยภาพข้างนอกเนี่ยสะท้อนกลับมาว่าเราพูดยังไงอะ่ะเมืราพูดไปป๊บเนี่ยโว้เขาหน้าแดงกำเลยอันนี้น่าจะรู้สึกว่าเราพูดแบบไหนเนี่ย ะอาจจะพูดไปแล้วเขาไม่ชอบใจเขาโมโหเขาถึงหน้าแดงก่ำอย่างนี้ถ้าพูดไปแล้วเขาหน้าเขียวสแสดงว่าพูดไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยที่เราพูดไปนี่พูดไปลักษณะไหนเนี่ยเขาถึงได้โอโ้โหหน้าเขียวเงี้ยฮะอาจจะโมโหหรืออาจจะอะไรสุดเลยนะหน้าเขียวเนี่ยโอ้โหไข้ขึ้นเลย หรือถ้าพูดไปแล้วนี่เขาหน้าดำเลยเป็นไงไม่เลยนะไม่เลยนะพูดไปล้นี่หน้าดำเลยเป้าหมายความว่าเราพูดยังไงก็ถึงโอ้โหเผาก็จะไหม้เกียรไปหมดแะก็รู้รู้อยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเราพูดลักษณะไหนเขาถึงจะต้องเป็นอย่างนี้ก็รู้แล้วเราพูดไม่รู้แล้วว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่ว่า พูดออกไปในลักษณะไหนคนรับถึงได้โอ้โหหน้าดํำขำเครียด อ, อาจจะเป็นคําที่แรงไปอาจจะเป็นคําหยาบนะหรืออาจจะพูดแบบโอ้โ ห, โหปีบคันหัวใจเขามากเลยจนกระทั่งเขาหน่าเป็นป่าวุญจินไปหน้าดําหมดแล้วซึ่งอย่างเนี้ยอันนี้คือภาพสะท้อนที่อยากจะให้เราได้กลับมาสํารวจคําพูดของเราเพราะบางคนเนี่ย บอกว่าเอาให้ไปจับจิต ด, ดูสิทําไมพูดอย่างนี้ออกไปไม่รู้จะไปจับยังไงบางคนก็จับไม่เป็นสักทีก็บอกเอา้าดูมุมแล้วก็สะท้อนกลับมาแล้วกันนะบางทีเผื่อจะพอจับได้บ้างว่าเออเนี่ยพูดยังไงพูดยังไงเข้าถึงได้หน้าดําค่ําเครียดอย่างนี้ละเนี่ยเนี่ยเรื่องของการพูดหรือเรื่องของการมองเอา้าบางทีเรามองดูอะไรต่ออะไรเนี่ยเคยสํารวจดูไหม นั้นเนี่ยใช้ตาของเราทุกวันทุกวันเนี่ยทำไมาตาบอดนะก็ใช้ตาเดี๋ยวก็เห็นอื่นเห็นที่นี่เคยจับจิตเคยสํารวจดูไหมเวลาเห็นของชอบเป็นยังไงเนี่ยใจเราเป็นยังไงเวลาเห็นของไม่ชอบใจเราเป็นยังไงหรือมุมกลับครวนี้เพราะว่าบางทีจับจิตไม่ออกอีกบางคน <y> ก็เลยให้ใช้มุมกลับว่าอ่าสํารวจซิเราชอบมองอะไรเนี่ย ชอบมองอะไรชอบมองดอกไม้แสดงว่าใจเราเป็นยังไงถ้าชอบมองดอกไม้อ่อนโยนอา้อาวๆชอบมองดอกไม้มันอยู่ที่ว่าดอกอะไร <c oughs> <c oughs> นะมองดอกอะไรแหมนี่รีบตอบเลยว่าอ่อนโยน <c oughs> มันอยู่ที่ดอกอะไรแหะบางทีมองแลโอ้เอาดอกกุหลา บ, อ ย, า อ, บอย่างเงี้ยแหมชอบจังเลยโหชอบดูจังเลย สวยดีชอบนะทั้งสีทั้งรูปมันอ่ะอย่างเงี้ยน่าจะพิจารณาว่าใจเราเป็นยังไงที่ชอบมองอย่างเงี้ยชอบมองดอกกุหลาบใจมันน่าจะเป็นลักขนาดไหนฮะใจสงบแล้วอะไรยินดียินดีอะไรอะ่ะ <c oughs> ยังไม่ต้องไปอันนั้นอะ่ะเดี๋ยวเอาว่าเอาเอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะอา้า ชาบางคนยังเอาชอบมองดอกอะไรดีก็รู้แล้วรู้แล้วแต่อาตมากําลังพยายามที่จะให้แง่คิดกับพวกคุณที่ที่ให้มองย้อนกลับมาเห็นจิตตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าให้จับจิตตัวเองเนี่ยนึกไม่ออกจริงๆก็ไม่รู้จะไปจับยังไงเพราะว่าจิตจิตเนี่ยนะมันเป็นอรูป มันเป็นรูปอยู่ในอยู่ในใจของเราอยู่ในจิตของเราเพราะฉะนั้นบางคนให้จับอารมณ์ความรู้สึกจับยังไงก็จับไม่ออกคิดยังไงคิดไม่ออกอัตมาเลยเลยให้เอาจากวัตถุภายนอกเนี่ยให้เป็นรูปเนี่ยภายนอกเพื่อที่จะมอให้คุณจับอารมณ์ตัวเองย้อนกลับมาจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราชอบมองดอกกุหลาบอ๋อเพราะเราชอบอะไรอะของสวยๆงามๆของแบบอะไรอะ สังหาแล้วก็อะไรมีหนามมีเครื่องป้องกันมีอะไรต่ออะไรแบบชอบดอกกุหลาบอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะชอบแบบชบชบเฉียวเฉีย ว, วอะไรที่หน่อยอถ้าชอบมะลิอา้าวคนที่บางทีเออชอบแบบดอกมะลิแม่เห็นแล้วก็เออสวยดีนะกลิ่นก็หอมดีอย่างเงี้ยใจเรามากักจะรู้สึกในทนํานองไหน ไอ้ยินดีมันยินดีแน่อยู่แล้วแม่ก็บอกว่าชอบไงเพราะมันจะต้องเป็นสายยินดีอยู่แล้วแต่มันยินดีแบบไหนอะหรือว่าชอบบางคนชอบดอกอะไรนะดอกบัวเออมันเหมือนกันไมหมล่ะคุณว่าคนชอบดอกบัวคนชอบดอกกุหลาบเงี้ยคุณว่าใจิตใจมันจะเหมือนกันไหมมันก็ต้องไม่เหมือ น, นสิใช่ไหมอาตมาถึงบอกเออชอบแบบดอกกุหลาบเงี้ยแบบไหทันสมัยหน่อยอาจจะเฟียวเฟียวฟุ๊ฟ้าหน่อย ชอบดับบัวนี่ก็สายพวกอาจจะสงบสงบหน่อยมาทางจิตนิ่ ง, นงหน่อยจิตแบบธรรมะธรรมโมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือจะให้มองย้อนกลับมาที่จิตเราว่าเออทำไมที่เราชอบมองอย่างเงี้ยอ๋อเพราะจิตเราเป็นอย่างนี้นี่เองมันถึงได้ชอบมองอันนั้นแล้วแต่นี่ถ้าเราชอบมองอันนั้นแสดงว่าเราติดอันนั้นถูกไหมเมื่อเราติดอันนั้มนก็ต้องมองบ่อยๆมันถึงติดแล้วก็ยิ่งติดก็ยิ่งยิ่งมอง เพราะฉะนั้นจิตคนนั้นก็จะมีอนั้นหนักมากอยู่ในจิตแล้วแสดงว่าติดแล้วเนี่ยเอาอสิก็เป็นทุกข์ได้ไม่ใช่ติดแล้วเป็นสุขนะติดแล้วเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคราวนี้ถึงบอกว่าเอา้าเราก็ต้องมาลดใช่ไหมมาล้างแล้วก็มาแก้มันอัะแตนี่ชอบชอบเพราะอะไรถูกไหมเออทําไมต้องชอบดอกบัวด้วยอ่ะชอบเพราะอะไรเนี่ยชอบเพราะว่าเออเย็นเย็นดี ดูแล้วรู้สึกสบายหูสบายตาอ๋อจะเอามาทำอาหารแหมเออก็จะได้รู้ไปนะว่าไอที่ชอบดอกบัวเนี่ยเพราะว่าเห็นแก่กินแล้วไม่ได้เห็นในด้านสวยงามอะไรเอ้าก็จะได้รู้ว่าเออแต่ยังเมื่อกี้เราชอบดอกบัวเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องกินนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของไ อ, อาตามองเรื่องอะไรสุนทรีอะไรงี้นไม่ใช่ มันต้องรู้กิเลสีนะ่อ่ะถึงบอกแล้วเดี๋ยวพอรู้อันนี้เออดีละชัดดีอ่ะเดี๋ยวเราจะได้โอ้โหนี่เราชอบดอกบัวเนีเพราะว่าเรายังชอบกินนะกินอะไรบั่งเนี่ยกินสายบัวกินเม็ดบัวกินอะไรอีก ก, กินรากบัวโอ้โห <laughs> กินทุกอย่างเลยแหละ <laughs> นะอันเนี้ยพออย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้คือคือถ้าใครเนี่ยจับจิตจั บ, จบอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะแตมาบอกได้เลยนะ ถ้ามาปฏิบัติธรรมอย่างสายของพุทธเนี่ยถ้าใครจับอารมณ์จิตพวกนี้ไม่เป็นจับไม่ได้คุณคุณไม่สามารถล้างกิเลสตัวเองได้แม้ว่าบางคนเนี่ยมาถือศีลเสร็จแล้วก็ก็ถือไปตามเขาแต่คนนั้นจับอารมณ์พวกนี้ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคนนั้นยังล้างกิเลสตัวเองไม่ไม่ได้เพียงแต่ ว, ว่ามาอยู่กับหมู่กลุ่มหรือว่าบางทีเนี่ยได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็ทำตามไปตามนั้น โดยที่ไม่รู้ด้วยนะว่ากิเลสเนี่ยลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่า <c oughs> เขาอาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ของพุทธนะถ้าของพุทธต้องรู้กิเลสตัวเองให้ได้แล้วถ้าแก้ไขลดละมันลงไปได้ถึงจะถึงพุทธะถ้าใครทําไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกับแฟชั่นเท่านั้นเองคือทําตามคนอื่นเขาอาตมา ถ, ถึงยกตัวอย่างบ่อยว่าบางคนกินมังสวิรัตได้เนี่ยกินตามคนอื่นเขาเท่านั้นเองหรือบางที เขากาลังอะไรอ่ะดังเออเขากลังนิยมกันใช่ไหมเราก็เลยเออเอเอาด้วยเอาด้วยร่วมแจมด้วยคนหนึ่งมันก็ตามตามเข้าไปแต่จริงๆเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองมีกิเลสหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆมันคงมีอยู่แล้วลหละแต่ว่ามันมีอย่างอื่นเป็นเครื่องร่อไงเพราะฉะนั้นที่กินมังสวิ ร, รัตได้เนี่ยกินเพราะว่าเออฉันก็จะได้เท่ด้วยคนหนึ่งอ่าหรือว่าฉันก็จะได้แบบว่า ไอ้คนอื่นบางทีแหนะยกย่องเราหรือว่าอะไรอะ่ะศรัทธาเรานะเพราะว่าเรากินได้นะมังสวิรัตินะหรือเราจะได้มีพรรคพวกเพื่อนฝูงแบบชาวมังเขาเรียกสั้นๆนะชาวมังอชาวมังนี่ไม่ใช่กะละมังนะบางคนเนี่ยโอ้โหกินเป็นกะละมังจริงๆเลย <S <S <S <S นะอันเนี้ยถ้าอย่างนี้นี่ไม่ใช่ของจริง อันนี้ถ้าสมมุติว่าบางทีเนี่ยอยู่ๆไปอยู่ๆไปเนี่ยถ้าไม่อยู่กับหมู่พวกหรือบางทีไปอยู่ผู้เดียวที่ไหนกลับไปกินเนื้อสัตว์ยังเก่าไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เห็นกิเลสตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ลดจริงๆคือไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยติดเนื้อสัตว์หรืออร่อยเนื้อสัตว์เพราะอะไรยังไงคือไม่ได้รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่ได้ร้างเพียงแต่ว่า กินตามเขากินไปเท่านั้นเองวนคนนี้ไม่เข้ากระแสวันคนที่จะเข้ากระแสจิตวิญญาณได้เนี่ยต้องหมายถึงล้างกิเลส ท, ที่เรามีได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็อย่างรู้รู้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ทำตามคนอื่นนะเพราะนั้นอันนี้อาตมาเนี่ยพยายามพูดประเด็นพวกนี้ให้พวกเราเพราะว่าหลายคน ที่จะมายังรู้สึกว่าแม้มาอยู่ในวัดก็ตามฟังเทศฟังธรรมมากก็ตามแต่ว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยสำรวจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยได้ลดละกิเลสตัวเองจริงราะสังเกตได้อะไรง่ายที่สุดคือพอเวลาผัดสะเกิดขึ้นเห็นเลยกนนี้ถ้าเป็นสายโทสะนะเห็นเลยเพอชนกันตูมปับ๊บโอ้โหทั้งวาจาก็รุนแรง ทังสีหน้าสีตานะออกหมดเลยรู้เลยว่านี่เ น, เ น, เนีแสดงว่าว่างเว้นนะหรือไม่ก็อ่อนซ้อมอ่อนฝึกซ้อมนะอ่อนฝึกซ้อมตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คนนี้พอผัดสะตูมเกิดขึ้นปับ๊บหลุดออกมาเลยวันถ้าใครอ่อนซ้อมมากหลุดออกมาก้อนมือมาแต่ถ้าใครเออซ้อมมาดีๆหน่อยอาจจะหลุดน้อยหน่อย บางคนที่หลุดแรงๆเนี่ยหลุดถึงขั้นกายกรรมออกมาเลยออกมาเลยนะทางกายกรรมเนี่หลุดเลยเหมือนอย่างบางคนเนี่ยไม่ไหวมาอยู่วัดนะโอ้โหอยู่ได้ตั้งนานบางทีพอหลุดที่นี่โอ้โหเนื้อสัตว์ที่เคยกินอร่อยๆอเต็มที่เลยสัดเต็มที่เลยเวลาหลุดเป็นอย่างนั้นเลยนะก็แสดงว่าอาจจะรู้ดู แต่บางทีไม่มีกําลังอาจาบันถึงบอกบางคนฟังทำแล้วมันรู้นะว่าอันนี้ไม่ดีนะแต่มันเป็นภาษาพูดอะรู้ว่าอันนี้ไม่ดีนะแต่คุณไม่รู้ว่ากิเลสมันไม่ดีกิเลสของเราอันนี้มันไม่ดีอะแล้วคุณก็ไม่ได้ฝึกที่จะลดหรือว่าล้างกิเลสตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นต่อให้รู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยคุณห้ามใจไม่อยู่เวลาหลุดก็กินเลยคนนั้นก็กินเลยแล้วระวังถ้าใครเนี่ยไม่ฝึกให้เข้าถึงจิตใจ แล้วก็ไม่ไม่มีการฝึกฝนตัวเองนะมีตะบะมีศีลของตัวเองขึ้นมาคนนั้นเนี่ยกิเลสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นยิ่งวันหลังเวลาน็อตหลุดเนี่ยนะโอ้โหจะแรงมากเลยส่วนใหญ่ไม่ต้องไปเอาหยาบเรื่องอื่นนะนะเอาแค่เรื่องกินเนี่ยคุณไปสังเกตดูสิโอ้โหเวลาน็อตหลุดนี่นะ แม่บางบางทีที่วัดนี่ไม่มีให้ให้ของที่เราอยากอะ่ะมันไม่มีให้นะโอ้โหมันลงแดงหนักเลยเรียกว่าแหมออกต้องออกไปข้างนอกเลยต้องไปหาซื้อต้องไปหากินให้ให้ให้มันสะใจให้มันสมใจที่มันเหมือนกับเก็บกดเอาไวอ้อ่ะเพราะว่ามันมันเป็นกิเลสที่อยู่ข้างในแล้วเราสะสมไว้แต่เราจับไม่ทันแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวว่ามันก็ค่อยๆโตขึ้นค่อยๆโตขึ้น ไอ้ที่คุณไม่ไหวถึงขั้นนี้เนี่ยแสดงว่ามันเล่นงานคุณตูมและหรือบางทีเนี่ยตอนแรกคุณก็ยังคือ ม, มันฝังอยู่ในใจคุ ณ, ค, ณคุณยังไม่มีผลสักเท่าไหร่นะแต่ปรากฏว่าผัสสะมันเกิดคือเกิดไปเห็นใครกินเข้าหรือบางทีดูทีวีนะเกิดมีโฆษณาโอ้โหเป็ดย่างไก่ ย, ย่างไอ้อะไรอะเลื้นแพรหรือไอ้ขนาบน้ำหรืออะไรที่ไหนมันโฆษณาดโอ้โหบางคนนี่เคยนะ ดูดูไอโทรทัศน์เนี่ยดูทีวีเนี่ยโอ้โหดูไปดูมานี่มันปรุงไงเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามถ่ายภาพถ่ายสีสันให้มันออืหน้ากินอยู่แล้วใช่ไหมโคตรเลยนะเขาโคตรไปให้ไกลโอ้เราดูโอ้โหเต็มตาเลยนะเต็มตาเลยนะโหปรุงใหญ่เลยคราวนี้เราปรุงอ <c oughs> อืไอที่มีอยู่ก็ขึ้นใหญ่สิบางคนที่ทนไม่ไหวเลยคืนนั้นน้อยไม่หลับแล้วแอบออกไปนี่นอกวัดไปหากินเลยออื มีมาแล้วการกินน้ำผึ้งเรื่องนี้ปัญหาประเด็นเรื่องของการกินน้ำผึ้งพวกเรามีพูดคุยกันไปแล้วนะถ้าผึ้งธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่เราไม่กินกันชาวโศกไม่กินกันแล้วพ่อท่านก็ไม่อนุญาตเพราะถือว่ามันผิดศีลข้อที่หนึ่งมันยังทำให้ผึ้งก็ต้องตายหรือตัวอ่อนมันก็ต้องตายนะเพราะฉะนั้นเราไม่กินกัน แต่ทุกวันนี้ที่เรากินหรือว่าที่เราแม้แต่ที่แดดชีวิตที่อะไรพวกนี้ที่เราขายที่พลังบุญก็ตามเป็นน้ําพึ่งที่พวกเราเนี่ยไปตรวจสอบไปพิสูจน์ดูแล้วว่าไม่ได้ทำให้พึ่งตายหรือแม้แต่ตัวอ่อนมันต้องตายอ่าเขาจะเลี้ยงมันแล้วเขาก็จะไอ้นั่นมันแต่ต้องผ่านเซนเซอร์ของพ่อท่านนะเพราะนั้น แต่ถ้าคุณไปกินทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่อาจอาจจะพึ่งต้องตายแต่ถ้าถ้าที่พ่อท่านเนี่ยมาตรวจดูมาอะไรแล้วนะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอะไรของมันแ ล, แล้วเ้าก็เลี้ยงดูมันอย่างดีพยายามให้มัน้นั่นซึ่งอันเนี้ยเขาก็เอาวิดีโอเอาอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้พ่อท่านดูเลยพ่อท่านก็พิจนารณาแล้วก็เห็นว่าเออถ้าอย่างนี้พออนุญาตได้ เพราะนั้นก็มีบางรายเพราะท่านก็อนุญาตบางรายที่บอกว่าเออถ้าเป็นน้ำพึ่งแบบนี้ได้บางทีก็เอามาจากเกสรดอกไม้เอามาจากอะไร เ, เป็นพึ่งเลี้ยงนะอันนี้อันนี้ก็ต้องถามที่ร้านเขาเอานะว่าเป็นพึ่งอะไรมายังไงอาจมาจาจาเจ้าเขาไม่ได้แล้วว่ามีเจ้าไหนบ้างก็นี่แหละอันนี้ก็เป็นการพิจารณาในาการกินใช่ไหม เันบางคนเนี่ยอย่างเช่นเอาไว้ง่ายบางคนยังติดไข่อยู่เงี้ยมันน่าจะเลิกไปได้แล้วถ้าเราพิจารณาอา้าวพ่อท่านผู้บ่อยๆเอามันเป็นลูกของสัตว์ใช่ไหมและอีกอย่างหนึง่งแหมกว่ามันจะสร้างไข่ขึ้นมาได้ลูกหนึ่งนะกว่ามันจะออกไข่ออกมาโอ้โหมันก็รักมันก็หวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ออกมาเป็นไข่เนี่ยมันยังไม่เป็นตัวก็ตามแม่ที่ออกไข่มามันก็หวงไข่เพราะมันก็คิดว่าไข่ที่ต้องเป็นลูกของมันแน่นอนจะออกเป็นตัวหรือไม่ก็ตามเพราะฉนั้นมันก็หวงมันก็ไม่ยอมหรอกไข่จะไปเอาไปอะไรแล้วก็นีถ้าเรายิ่งตามไปดูถึงไอ้ที่บางทีเนี่ยทุกวันเนี่ยคนกินไข่กันเยอะตามไปดูถึงโรงงานสิคุณคุณจะยิ่งสงสารแม่ไก่มากๆโอ้เขาหลอกเลยอย่างเนี้ย ก็หลอกทําให้มันเป็นทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคือใช้เปิดไฟอ่ะคือกลางคืนไม่มีอ่ะหลอกมันให้เป็นกลางวันตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ให้มันยืนอยู่นะให้มันยืนกินอาหารแล้วอาหารนี่ก็ต้องเป็นอาหารที่อะไรอ่ะใส่อะไรมาบ้างให้มันเติบโตโอ้ไม่รู้อะไรต่ออะไรก็สารเคมีมั่งอะไรมั่งแล้วแต่เขาอ่ะแล้วก็ต้องมันจะเป็นโรคเพราะว่าคุณคิดดูไม่จะให้มันวิ่งไม่ให้มันเดินไม่เลยไปไหนสักเท่าไรเลยอ่ะ อยู่กับที่อย่างนั้นเน่โอ้วันน้ก็ใช้ยาปฏิชีวนะอะไรต่ออะไรฉีใส่มันอีกโอ้โหทรมานทรมกรรมมันมากเลยนะเนี่ยไข่ก็ตามนมวัวนี่เราอนุโลมนะส่วนนมวัวนะอนุโลมว่อาอ้าวเรายังถือว่ากินได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้กินนะพวกตามาเองก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ฉันหรอกนะพวกนมวัว เพราะว่านมวัวทุกวันนี้จริงๆนมเป็นของให้ถ้าเป็นธรรมชาติไปรีดนมวัวมานะมันมันมันคัดคัดนมของมันน่ะไปรีดมันมามากินกันอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเป็นธรรมชาติแบบนั้นเพราะว่ารีดมันก็เท่ากับช่วยมันด้วยทําให้มันไม่ไม่เจ็บเต้านมของมันแต่ทุกวันนี้บอทโฮกูเนยเคยเห็นไหมที่เขาเอาเครื่องอะ่ะเอาเครื่องไปใส่โอ้โห เยอะแยะเลยนะรีดมันไม่รู้วันละกี่เวลาบางคนเขาบอกว่าโอ้โหรีดมันไปรีดนาทาเรนมันจนกระทั่งบางทีเลือดออกเลยบอกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องพยายามจับมันผสมพันธุ์ใชนะจับมันผสมพันธุ์เพราะว่ายิ่งตั้งท้องก็ยิ่ ง, ย, งยิ่งมีน้ํานมมากเพราะว่าเพราะว่ามีลูกไงจะมีลูกไงก็จะยิ่งสร้างน้ํานมเนี่ยมาก เานันก็ไปผสมเทียมมันบ้างไปพยามาให้มันตั้งท้องเสร็จแล้วตั้งท้องมาแล้วถ้าเป็นวัวตัวเมียนะเขาก็จะเลี้ยงไว้ถ้าเป็นตัวผู้บางทีก็เอาเก็บไว้ทำพันบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ขายทิ้งหรือว่าเอาไปฆ่าเป็นอาหารซะเพราะว่าเขาต้องการตัวเมียมากกว่ามากกว่าตัวผู้มันทุกวันนี้พวกเราส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยกินนมวัวเพราะว่าไม่ไหวแล้ว คุณคิดดูสิแค่ไอ้นมวัวเนี่ยมีกี่เจ้าที่ขายอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ใช่ขายแค่เมืองไทยมันขายเกือบทั่วโลกโอ้โหคิดดูแล้วแล้วัวทั่วโลกจะมีสักกี่ตัวกันเนี่ยที่มาให้รินนมมาก็ไอ้คนที่กินเนี่ยมันเยอะแค่ไหนกู ค, คิดดูเอาเพราะฉะนั้นหลังๆนี้พวกเราเลยโอ้ยส่วนใหญ่ลดละแต่ว่าเวลาบินทบาทรับบาทบบาเอ่อรับรับบาทเนี่ยก็ยังรับมาอยู่ พอยังยัง อ, อ, อนุโลมให้เขาบ้างไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเราจะโอ้โหตัดชั่วชาชชาไข่ก็ไม่รับผสมไข่มาก็ไม่รับเนื้อสัตว์ก็ไม่รับบางคนเนี่ยเคยนะบิงมาใส่บาตรตั้งสามเที่ยวเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วเที่ยวเลยไงเที่ยวแรกเอาเนื้อสัตว์มาใส่เอา้าเราก็บอกเข้าไปบางทีเราก็บอกไม่หมดหรือบางทีเราก็บอกหมดนะแต่เขาฟังมันรีบๆไปนะเพราะว่าเราเราก็ยืนรออยู่ใช่ไหม เขรีบรี บ, รบกลับไปใหม่เนื้อสัตว์ไม่ได้อาลูแลเนื้อสัตว์ไม่ได้รีบไปหาไอ้หนูหานี่หยิบมาหยิบมาเสร็จมีไข่ก็ไม่รับเขาอีกแล้วบางทีก็เอา้าใครก็ไม่ได้กเก้อรีบฟักเงินมาใส่บาทเอาเงินก็ไม่รับอีกโอมีนะเคยเจอเนี่ยสามครั้งเนี่ยปฏิเสธก็ถึงสามครั้งโดยอดตมาก็ชักเอแม่เห็นใจโยมเขาอยู่เหมือนกันนะจะจังไงดี บางทีเลยต้องพูดเองเลยบอกโยมเอานมมากระเด็นหนาบางทีเรต้องพูดไปเลยเพราะว่าแม่ไม่เขาก็วิ่งโอ้โหก็คือกระหอบก็คือกระหอบต้องสองสามเที่ยวบางทีก็เห็นใจโยมรับแต่เราเองเราก็รู้ว่าเออศัจธรรมหรือว่าความเป็นจริงบางทีนะมันก็ต้องใจแข็งแข็งเหมือนกันนะบางทีมันก็ต้องเปิดเผยแล้วก็ถ้าเขาทําได้ก็ก็ดีแต่มีเหมือนกันนะประเภทเขาหมั่นไส้เราเลยก็มีพวกนี้มันเลี้ยงยาก ขมันไส้เลยก็มีนะดูที่ไอ้นันก็ไว้ได้ไอ้นี่ก็ไว้ได้าบางคนก็ก็ไอ้นั่นเลยมีมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็มีทั้งสองอย่างเราเองบางทีแล้วก็เลยต้อง ด, ดูอยู่เหมือนกันนะยิ่งถ้าเดินจาริกเนี่ยคุณจะเห็นชัดเลยจะเรื่องจับกิเลสเนี่ยจะเห็นชัดมากเวลาเดินจาริกโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเนี่ยเห็นชัดมากว่าบินทบาทเนี่มันไปตามที่ต่างๆที่เรายังไม่เคยไป เพราะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยได้อาหารนะเพราะว่าเขาจะใส่เนื้อสัตว์หรือไม่ก็เนี่ยเป็นไข่มังเป็นอะไรมาบ้างนะหรือจะเป็นเงินมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยได้อาหารที่อุดมสมบูรณ์ทีจะได้ข้าวเปล่ามากได้ข้าวขาวนะได้พวกขนมหรือได้ผลไม้นะก็ต้องฉันไปตามนั้นนะเขาเนี่ยโอ้ได้เห็นกิเลสมากถ้าเราไปในที่ที่เราไม่คุนนะ มันมันจะแบบว่าใครไม่อยากจับจิตก็จะเห็นจนะิตเน่ยตอนนี้นนะ่ะแต่เราเนี่ยอยู่กับที่หรือว่าอยู่ประจําโอกาสที่จะเห็นกิเลสตัวเองมันยากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วาบางทีเนี่ยพระเจ้าท่านก็เลยแบบว่าอย่าอยู่ที่ที่ที่ไหนเนี่ยที่เดิมเนี่ยอย่าอยู่ให้นานเกินไปนักควรจะมีเวลาที่เคลื่อนกายย้ายจุดบ้างแล้วถึงจะเห็นกิเลสตัวเองเราอาจจะไปชั่วครั้งชั่วงคราวบ้าง นะอาจจะไปไม่กี่วันก็ตามแต่อย่าไปที่อื่นแบบชนิดที่เรียกว่าเอาครัวไปด้วยนะไอ้ท่าอย่างนั้นไม่รู้ไม่รู้กิเลสตัวเองไปมันก็ต้องไปเอาตามที่นั้นเลยทีที่นั้นเขามีอะไรยังไงบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าว่าตัวเองเนี่ยติดสะอาดมากเหลือเกินบางคนไม่รู้ตัวเลยพอไปที่อื่นแล้วถึงจะรู้ว่าโอ้โหเห็นเขาทําเห็นเขานั่นโอ้โหกินไม่ลงอนะ่ะไม่กินเนะี่ยคือคือติด ลักสะอาดมากจนกระทั่งไปเห็นที่อื่นที่เขาสะอาดน้อยกว่าเราหน่อยอนะกินไม่ได้เลยแล้วถึงจะรู้โอ้โหเ ร, เราติดสะอาดขนาดนั้นเถอะเหรอเพราบางคนนไปที่อื่นกินอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะติดสะอาดนี่นะแค่บางทีเห็นช้อน <S <s เห็นชาม <S <s เห็นโต๊ะข้าแขกนั้นก็โอ้โหไม่กินหรอกอจริงไม่ใช่ว่าเราเองไม่ไม่อะไรอะ ไม่รักสะอาดไม่ใช่นะเราก็ควรรักสะอาดแต่ไม่ควรจะติดจนกระทั่งกลายเป็นกิเลสไม่ควรเป็นอย่างนั้นบางทีเออมันก็พออนุโลมได้บ้างพอกินได้บ้างแล้วก็หัดทําใจไปแต่ตอนนี้ถ้าใครไม่ฝึกมาอัตมาถึงบอกพอไปเจอภาษามันทําใจไม่ได้เพราะเมื่อทําใจไม่ได้เป็นยังไงก็คือไม่เอาเลยไม่เอาเลยสิ่งนั้นก็ไม่เอาเลยก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนนั้นจะทุกข์มาก มันถึงบอกว่าเรื่องของการเนี่ยจับจิตจับใจเราดูยิ่งเราอยู่ในอะไรรูปแบบเดิมๆอะไรเดิมๆเนี่ยคุณยิ่งต้องจับให้มั่นนะยิ่งต้องคั้นให้หมายนะชนิดที่เรียกว่า อ, อต้องยิ่งละเอียดให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นจับไม่ได้จริงๆเพราะคุณจะทําไปตามระบบเลยตื่นเช้ามานี่ยไปทำที่นี่นะเดี๋ยวไปทํานั่นเดี๋ยวไปทำนั่น เราก็จะอ้างเลยอ่ะมันอ้างไปตามเหตุผลอ้างไปตามระบบทันทีเลยทั้งทั้งที่ความจริงคือกิเลสเราแต่คนนั้นไม่รู้ตัวจับไม่ทันแล้ววันนั้นนั้นนั้นจริงๆคุณทําไปตามกิเลสคุณนะอ่าเพราะมันมันมันทําจนติดไปแล้วอ่ะติดไปตามรูปแบบนั้นแหละต้องจับต้องจับถ้ามันไม่เป็นกิเลสจริงจบางทีเออเออถึงเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ทุกอะไรนี่ใช่ไหมเออเปลี่ยนนีดเปลี่ยนหน่อยไม่เห็นทุกอะไรเลย จะเปลี่ยนมากหน่อยก็ไม่ทุกอะคนนี้ถึอว่าเออเราไม่จะติดอะไรนี่ระบบจะเปลี่ยนแปลงมั่งก็ไม่เห็นจะต้องไปเศร้าโศกเสียใจหรือไปโกรธแค้นอะไรใครเขาแต่บางคนเนี่ยเอาสมมติอย่างแม่ครัวฉันต้องยืนตรงนี้ฉันต้องหันเขียนนี้ต้องมีดอันนี้ต้องเวลาเท่านี้โมงนะต้องหันแบบนี้แหมเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยไปได้เลยนะโอ้โหอึดอัดขัดเคืองอล้าตะเหลิยว บางคนนี่ลำตะหลิว เ, เพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยไปดูให้ดีถ้าจิตมันไม่มีแบบเนี้ยมันไม่ขึ้นหรอกคุณแต่ถ้าจิตมันมีมันสะสมอยู่มันก็ขึ้นสิมันก็เป็นนะสิเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโหมารอให้มันผัสสะแรงๆแล้วถึงจะมาจับได้ตายสิคุณอย่างนี้เพราะับางทีเนี่ยเออมันไม่แรงอะไรก็จับได้แล้วแล้วเราก็รู้เราก็รีบปรับรีบแก้จิตของเรา อย่าให้ไปเป็นกินเลสอย่าให้ไปเป็นอกุศลอย่าให้ไปติดยึดอะไรในสิ่งที่มันทําให้เราทุกข์แล้วสิอ่าเพราะเ น, นี่ยถ้าใครรู้ใครฉลาดใครเข้าใจได้นะก็จะจับได้แล้วก็จะพยายามปรับแก้ไปเรื่อยแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะไม่มัวเสียเวลาที่คุณจะไปคอยถือสาไปคอยเอาเรื่องอะไรกับคนอื่นเลยเพราะมันไม่มีเวลาพอที่ไปดูคนอื่นเพราะเราใช้เวลาส่วนใหญ่มาดูตัวเราเอง จริงๆถ้าใครเนี่ยพยายามมองตนมองตัวเองมองกิเลสตัวเองให้มากเลยนะไม่มีเวลาไปดูกิเลสคนอื่นสักเท่าไหร่หรอกแต่ทุกวันเนี่ยที่ยังมีเวลามากเนี่ยไปดูกิเลสคนอื่นเขามากเลยนะแสดงบ้าไม่มีเวลาดูตัวเองนะ <c oughs> อันนี้ฝากไว้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราก็จะได้เออจริงด้วยสินะถ้าเราเองเราพยายามดูตัวเองเราเองให้มากเนี่ยเออเราไม่ค่อยมีเวลาไปดูกิเลสคนอื่นจริงๆ าฝากกนนี้ไว้วันที่ของพอทพานี้